ด้วยกอล้มนั้นเป็นคนเจ้าความคิดมักแต่งกลล่อลวงฆ่าตือเพศเสียทีแล้วก็มีผิวเข้มแข็งนะถ้าพบกีล่มแล้วให้เร่งถอยเสียโกชุยสั่งฐานคู่ใจยอย่างนีือจีล้มงมีฉามาสึกรบมาแต่น้อยเป็นมักนี้เป็นนักรบผู้เผาแล้วเนี่ย เฉาหูก็จริงว่าทันย์ยาปลารมเลยทำไมกับฝีมือจูรง่งขบเจ้มิดเด็กกลัวขอให้ท่านยกฐานหนุนไปให้ทันก็แล้วกันถ้าพบจูร่งแล้วขบเจ้าจะจับตัวเอามาให้ได้เฉาหูประมาทขุนพลเผ่าดังนี้และเฉาหูก็ยกฐาน 3,000 ันโ้ยมาถึงตำบลกีก๊กละก็เห็นทัพเต็งจี คือทัพมาของจูร่งเนี่ยเดินรีบนีไปตามพังใหญ่มีทงสำคัญชื่อเตียจูร่งหมุนเป็นสำคัญอยู่ชาวหูก็จึงคิดว่านี่กองทัพจูร่งจริงละก็ขับทหารกระชั้นเข้าไปใกล้เข้าไปประมาณสามสิบเนแล้วจูร่งเห็นชาวหูไล่ร่วงขึ้นไปก็ถางจุนประทัดโอร้องออกมาทางหลังแล้วก็ร้องบอกยี่ห้อเลยทีเดียว วัว อ, อู้ชีพตีล้มคุรู้จักเขาไหมชาวหูเหียวหลังเห็นจูล่ล้มแถวนั้นเองตกใจชักมาจะ ก, กลับออกมาเนี่ยในขณะนี้เรียกว่าเสียเชิงเสียทีชักมาพอจะ ก, ก, กลับก็กลายเป็นมาขวานลามถ้าเป็นเรือมันขวานลามแล้วมาก็มันขวานตัวอยู่ในช่วงนี้แหละด้วยความรวดเร็วของขุนพรมเท่าเตี้ยตมมุ่งยิ้ และดม้าขาวคู่ใจกันแบบเดิมา น, นี่ยนะสังทักจกัดเกณนไม่ต้องกระตุ้นเปลีนให้รุนแรงแต่การดายว่าความเร็วของมา้าและความเร็ของขนที่จะกรอกทวนไปดิ่เพลิงเดียวจร์ร ก, กแทงดิ่ทวนชาวหูปัไม่ทันขนาดชัดมาขวางตัวนั่นเองแหละทวดเดียวนทวนจู่ลงก็ได้อัศัย สิข้างชาหูเป็นฝกักโถนแทงพูดเข้าสิข้างตกมาตายขาวหูมุเก่งกาดจะจับจู่ล่งให้ได้เอาชีวิตตัวมาสังเวยคมทวนจูล่ล่องแค่เพียงเพียงคู่เดียวไม่ต้องนับเพลงเถืนกันแล้วว่ากี่เพลงไม่ได้เป็นเพลงเลยทหารท่นเห็นดังนั้นตัวตัวไม้เก่งกาดนักหนา ตกหลังมาตายดูใบพันธีเป็นชัว่วพริกตาเดียวดิ้นไปพจร่งก็แปลกระดหนีเข้าป่าซึ่งจูร่งก็ขับาหารรีบตามเป็นจีม่ะคือการถอยละการถอยของอกองรบปิศากองนี้ขณะเมื่อจูร่งรบกับชาวหูนะก็ยินเสียงเออกระเด็นอยู่ข้างหน้าด้วยวโกฏชุยใช้ให้บัแงแกงผู้มา ร, รยิยกขึ้นไปดู จู่ลงเห็นฐานยกตา ม, มานะ่ะก็รออยู่แต่ผู้เดียวแหละมีแหละตัวกูผู้เดียวจะสู้ตายจู่ลงปล่อยทหารรุ่นไปก่อนมีนู่แต่คนเดียวยืนมาแต่ผู้เดียวจนกระทั่งเป็นสีเนี่ยยกฐานไปไกลประมาณถึง300สามร้อยเซนมันแจงแรงไปจําสําคัญไในบทจูล่ลนก็กลัวนี่อาจจะตาม ไ, ได้ได้ ห้องคนดนีแหละเกิดทำอำมาจดิเค่นั้นยิมาพังงาเป็นสงาแต่จะว่ารอควานตาให้มาถึงแต่กล่าวั้านแยงม่อาจจะตามไปเลยสั่งทหารหยุดหยุดยัดตามมันเจ้าทหารเท่าเกราะ ข, ขาวมรกขาวคลาคลํา ม, มันแหละอย่าเข้าไปาไประเจิไงประจันกับมัน จู่ลงเดิมาดูแต่ผู้เดียวเท่นั้นจนกระทั่งเย็นไม่เห็นคาศิกตา ม, มาจู่ลงก็ขับมาเดินไปเป็นปะกะติทัมนโกถียกมาทันบั่งแจงมั่งแจงเขาก็มารายงานทีนี้ ว, ว่าเข้ามาเจ้าพบจู่ลง แต่ครั้นแต่ขับฐานติดตามรถพุ่งไปก็เกินอยู่ดิจูร์โลมีฟิล์้าแข็งนะักมีรอท่าทัานอยู่โอุ้่วยเอนั้นก็มีฟันอ่าให้มันแกงขับฐานรีบตามดิจูร์โลมันแกงก็คุณหาร้อยอยู่ติดตามทีจูร์โลไปตอ น, นี้เขาสั่งให้ตามก็ตามละติดตามถึงทางฟอกเขาไปถึงฟอกเขาที่ ได้ยินสียงจูร่งร้องตว่าขึ้นแล้วก็ขับทหารทะลวงออกมาทหารทั้พวงของบัณฑ์แจงยังก็ตกใจอาวุธแพทยจะมีได้ชักออกจากปากไม่สามไปวิ่งหนีบกุกเตลเปิดเข้าป่ารับบัณฑแจงยังก็แข็งใจตัวเองเนไมาย ท, ทับแม่ทัพนี่ยก็ทักมากขไปต่อทีบจูล่งจูล่งนั้นได้ใช้ฝมือกาวทันในตอนนี้ ยิงเจาทินไปถูกหมวกบ้านแจงไปลุกจากศีษะตกลงไปยิงพื้นบ้านแจงสะดุ้งตัวสุดตัวเลยถ้าจูล่งหมายตามมาอีกนิดหนึงชีวิตตนนะ่ะมีหรือจะไม่สิ่งบ้านแจงโลนลานลงจากหลังมาตีน้องก็ขับมาสืบเข้าไปแต่เปล่าขุนพลเท่าหุ่นไม่เคยเอาชีวิตพูดที กระทําว่าแพ้แล้วยอมแล้วฟู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมจงสอสกม้าเข้าไปแล้วก็ปลายธนยจ่อที่โหนออกแล้วก็พูดว่าแม้คุณจะฆ่ามึงเส้นนําบาดนี้ก็มือ่าอิสตรีผู้หนึ่งเท่านั้นหาต้องการมากคุจะปล่อยมึงเสียให้ทานชีวิตนึงมึงจะได้กลับไปบอกมายมึงให้รีบยกมาสู้กับกูเถอะ มูงแคคอยท่าอยู่ไม่แค่กลับไปบอกนาให้ให้หนีไปนะั่นไม่ใช่ให้ไปบอกนายมึงมาสู้กับอูู๋ึงแคอยท่าอยู่บันแกงเห็นว่าเติมรอดชีวิตได้แน่ที่นั้นยินดีดังเกิดใหม่ก็แน่นอนก็สิเก่าทันกระดอกมึงแล้วทวนจ่ออกอยู่นี่อีกแล้วมียินดีดังเกิดใหม่เป็นยินดีอย่างไรออ ก็ขึ้นมากัดไปบอกแกโกชูทุกประการโกชูด้วยฟางอย่างนั้นน่ะคือแทนที่มันจะบอกให้หนีไปเพให้ถอยทีย่หยัดมามานะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็บอกมันจะรออยู่ถ้ายไปฟันกับมันนี่โกชูได้แจ้งแน้วก็กลัวนี่อาจจะยกทหารติดตามไปได้ขั้นจูหลงก็ขับมาตามเป็นตีต้องกันทหารทั้งปวงไป นี้ให้เป็นอันตรายสิ่งใดเจนกระทั่นถึงเมืองฮันปงเบอร์จูรงนกองพัพอิสระของตนที่คงเด้งส่งให้มาเกิดทําการอยู่เป็นกองอิสระอยู่นาทีก็เนี่ยกลับได้สดําเร็จทีนี้ฝ่ายโจจินกับโกชุยเนี่ยก็พากันกลับมาจะตีเอาเมืองเพียนซีกับเมืองลำอันนะ และจะตีเอาเมืองฮันโถงให้จงได้เป็นบนําเหน็จของปมไวบ้บังขณะนั้นสุมาอีก็ยกทหารตามมาละโยถาถึงกลางทางก็ดแจงว่า ได้แกงกิต so, so ิทราบว่าคงเบ่งยกฐานเลิกทับกลับจากเมืองเสียเสียไปแล้วเมืองที่ตนวิ่งแนบกลับไปน่ะก็ให้ทหารอ่าเข้ายึดเมืองเสียเสียสืถามชาวบ้านก็ต้องถามเลยที่ตนเปิดไปด้วยความหวาดกลัวเป็นที่สุดนี่ก็สืถามชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวงว่า ผมดึงมาตั้งอย่มือ เ, เสียเนี่ยมีฐานที่ก็เท่าไหหมินชายทั้งหลายชาวบ้านชาวเมก็บอกว่าเมื่อผมด่งยกทหารก็มาตั้งอยู่นั้นนะก็มีทหารแต่ 2,500 ้าและก็แต่รว่นพลเรือรนส่วนว่าทหารที่มีฝีมือนะก็หามีใครไม่ผมดึงมีฐานเอกฐานรองไว้กำกับเลยอันหนึ่ง ก้อินเปียวเปล่าซึ่งไปตั้งซุ่มอยู่ที่ตำบลเขาบุกกองสัรนั้นดอกก็มีทหารไทยคนละสามพันเท่านั้นผมได้สังให้ทำกลวิ่งสลับสับสนเปลี่ยนเวียนไปมาหัวเขาท้ายเขาทําเสียงโห่ร้องจะได้มีฐานอื่นซุ่มซ่อนอยู่นอกแต่นั้นอีกก็หามิได้นี่ซูมาอีรู้ความมถึงก็มือโป๊กอกเรียกจะโป๊กอกเข้ตั้มผ่านเลย ปกยังไงก็ลองปกดูนะครับแล้วก็บอาเรามิรู้เท่าความคิดโขนเด้นเลยสุมาอีถึงกับยอมรับอมาเช่นนี้เลยครั้งแรกสุมาอีกก็ให้พากานอยู่ในเมืองเสียเสียแหละจัแจ้งบ้านมือเป็ปปกติแล้วก็ยกกลับไปเมืองเตียงอังางทูลแกระเจ้าเจยอยตามที่ได้ทำการรบพุ่งมาแล้วนั้น จนกระทั่นทัพเสยชวนถอยกลับหมดแล้วให้ได้กทงทราทุกประกา ร, การเถอเแก่เกยยอได้แจงที่นั้นก็มีความยินดีก็จึงกลับว่าซึ่งท่านยกทหารไปกำจัดศัตรูแ้วงทิ้งเอาเอ ง, งินทั้งสิ่นทั้งพวงกลับคืนมาได้ในครั้งนี้เป็นความชอบของท่านใหญ่หลวงนะ สุมาอีก็กลับปูหลักซึ่งขบัติเจ้ยกไปทําการกํจาจัดข่าสุดในครั้งนี้ก็ยังมิรากคาสักทีเดียวด้วยฐานของเบ้งนั้นติดแปลกนี้กลับเข้าไปพักอยู่ในเมืองหันเติงนั้นได้มาเห็นว่าคงเบ้งจะต้องส่องสมผู้คนแล้วกลับเข้ามาทําการอีกขบัติเจ้าจะขอยกกองทัพใหญ่ไปตีเมืองหันเติงเสียถ้าได้เมืองหันเติงแล้ว ก็เห็นว่าในขอกขันแต่เสมานี้จะมีความสุขสืบไปสุมาอีกระดูกจนิ้คือจะบดขยีของเบ่งเสฉวนให้จงได้รับพระเจ้าเกยยอยได้กฟังเจนั้นก็เห็นด้วยมีพระทา ย, ยินดีที่ลดกเกณฑ์านทั้งพวงทุกหัวเมืองให้แกสุมาอีนั้นสิ้นเชิญขณะนั้นซุนจูซุขขงเป็นขุนนางผู้ใหญ่ ได้เข้ามาทูนกับพระเจ้าโจยอยว่าครั้งพระอัยการของพระองค์คือครั้งโจโฉยังเป็นมหาอุปราชอยู่ได้ยกทหารไปตีเอามหันตุนนั้นก็ได้ออกพระโอษฐ์กลับว่าอเนรันตุนนะครับขันนะประดุจว่าตั้งยุนณป่าเหวหากบุญของเราจะได้สาเร็จแม้ว่าจะนาหาไม่ ก็จะพาฐานทั้งปูงมดตายเสียเหมือนหนึ่งตกล้มไปไม่หิวเพราะองค์ก็มีสติปัญญาธรรมะในการสงครามยังออกโอดึงเพียงนี้อันนึ่งข้าพเจ้ามาเห็นว่าตำบลจำโกกนั้นหลับก็เป็นเมืองแดนต่อแดนมีจังหวัดโดยรอบขอบทางถึงห้าพันเส้นก็แต่เลื่อนหอกเวทานเขาป่าเดิมรกชัด ถทางที่จะยกทหารเดินกระบวนทัพไปนั้นก็อยากขัดสนซึ่งจะยกทัพไปเห็นจะได้ความดำบากขอให้งดกองทัพไว้ก่อนจุกาะเกณทหารซึ่งมีฝีมือเป็นผู้ใหญ่คุณทัพไปตั้งรักษาด่านทานให้มัน่คนคงจนทุกตำบลอย่าให้สกเรื่วงเข้ามาได้ขอให้ภัพ ถูกเรียนทะลุบำรุงทัด ก, กลหารนโงให้มีกําลังแกกล้าขึ้นไว้คอยดูท่วงทีเมืองเสฉวนกับเมืองการต่างของซึ่งเกลื่มเลือดเสฉวนกับการต่างก็เป็นอรีกันอยู่แตาว่าเมืองสองเมืองนี้จะเกิดจะมาจนกันขึ้นเองเป็นมั่นคงฝ่ายเราเห็นได้ทีต่อภายหลังก็จะยกทหารเดินทัพสบายเข้าไปเอาเมืองเสฉวน ก็จะไเปรียบดีกว่าที่จะรีบยกไปนบัตงนี้อีกสุนทรขุนนางผู้ใหญ่ยกเหตุผลขึ้นมาทัดทานเทนี้ยกความแต่ครั้งอาโจรมงเตโช ย, ยังเป็นมหาอุปราชแต่ตอนนี้นได้เคยยกทักมากระทําการอย่างนี้อย่างนี้อยากเห็นเพียงใดประการใดออกยกเหตุยกผลมาสืกระพงกราบูนนี้ เือเจอ้าเกย์ยอยก็หันมาถามสุมาอีว่าซุนจว่าดังนี้ท่านเห็นประการใดซูมาอี้ก็จว่าที่สุจูคุณนาที่ใหญ่ว่าดังนี้ก็ชอบอยู่นี่ซูมาอี้ก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของสุจู ดังนั้นพระเจ้เยอยก็จึงใ้สุมาอี้เกินทหารยกไปตั้งรักษาด่านทางทุกตำบลแล้วให้โกชุยเปียวรับสองนายเนี่ยคุมด่านอยู่รักษาเมืองเตียงอังจัด ก, การบ้านเมืองเสร็จแล้วสุมาอี้ก็แป้ว่าบุกยับยั้งการปิดกั้นน้ำทับเข้าบุกกระลืหันถงเมืองด่านที่สำคัญของเฉยฉว น, นก็ไม่ไป ไปดว่กระทําตามที่สุนชูคูณนัานผู้ใหญ่แนะนำจัดแจงบ้านเมืองเรียกร้อยแล้วสุมาอี้ก็เชิญเสด็จพระเจ้าเกยยนยกลับไปอยู่เมืองโลกเอียงอันเป็นเมืองหลวงกล่าวทางฝ่ายผู้ชนะแล้วดังนี้ ที่ทำฝ่ายผู้แพ้ล่ะเสียชวนคือฝ่ายของนิ่งครั้งยกถับถอยกลับมาถึงเนึ่งพันตุงแล้วอดสั่งตัวจตรานายฐานทั้งพวงทีเดียวก็ครกทุน่นตามจำมนุนนายฐานที่ใหญ่ทั้งหลายทั้งพวงทั้งสิ้นถาดหยุดแต่จูนุ่งกับแดงจีเท่านั้นที่ตัวเองฟังให้ไปปฏิบัติการอิสระ เป็นกองปอกอืนอมอยู่นะดิฐพูนกีโก้หนะมี่สั่งตัวตาแล้วไม่เห็นจูล่นเป็งจีหกหลงก็ทุกข์ใจมีความวิตกนะก็พอดีทหารเข้ามารายงานใหเดียวแบบ น, นี้จูโลนกับเป็งจีคุณทหารโยกมาข้างหลังผู้ใดมิได้เป็นอันตรายแม้มาสักตัวหนุนก็มิได้ตาย มีรายงานดังนี้มทหารไม่เป็นอะไรเลยมาแต่สักตวงก็ไม่ตายผมเมื่อสักตัก็ดีใจพาฐานะบุกออกไปรับจูโลเป็นจีถึงระตูเมืองเลยจูโลงเอ้นีก็ตกใจมาเอากระบาดออกมาป้องรับเจอเนี่ยจุโลงก็เกลียดหลางหลังมานี่ไปคุกข่าวคำนับแล้วก็พูดว่าตัวข้าพเจ้าเป็นทหารลาทับเสียทีข้าสึกมา เหตุหมายมหาอุปราชจึงออกมาต้อนรับกบฏเจ้าชนี้คนได้เห็นจูร่เข้ามาทำมาแล้ก็มีความยินดีเอามือทั้งสองข้างเขาประคองตูจูร่วงแล้วก็จินว่าครั้งนี้เข้าไปเจ้าผิดไม่ได้พิมพ์ว่าคนดีและคนชั่วใช้ ไ, ไปจึงทําให้เสียการมีคนได้กล่าวดังนี้ไม่ผิด ที่มาเด็ดพิจารณาคนดีคนชั่วชายมาเจ็บไปรักษาตำบลเ ก, กติเงนินสําคัญมันไงเอาละของเบ้กล่าวคนนี้เมืันกับประเจงผิดนี่ทีนี้เราคนดีแตคนชั่วใช้ไปจริงทำได้เสียตามทา่ทานทั้งหลายที่งด้วยความบมมาําาทางนี้เพราะเราพูดเดียวเสียแท้แกล่ทหารทุกหมวดทุกกองเปน็นอันมากแต่ท่านผู้เดียวเนี่ยทำประการได้ยะ สิ่งนี้โดมีอันตรายเลยคนงเบ่งถามจุลุ่งเช่นนี้แต่จุลุ่มขุนพลขู่ใจแม่ทัพผูเฒ่านี่โดยมีปากไว้เพื่อการเจราจาสนเสริมเยี่ยมอยก ย, ย, ย่องเป็นเอกประชาการไดรอกจุลุ่งใหม่ตอบเป็นจี๋ี่เป็นจีก็เป็นผู้คอามาิตบอกความให้คนงเบ่งฟังผู้ประการ วัดจูร่งทำระการได้ยังไรเนี่ยเนจีก็รายงานให้ทราบสิขนเบ่งไบจแกงฉะนั้นก็สรรเสริญว่าจูร่งเป็นทหารเอกหาผู้เสมอ น, นิได้แล้วและแต่ฉนันก็พาันกลับเข้าเมืองโมเบ่งสังให้เอาทองสิทธช่างมาปูบำเหน็จแก่จูร่งแล้วก็แพรดีมืนพับให้มาแจกแก่ฐานทั้งปวง ทหารจูร่น ม, มีไปได้เพียงห้าพันเท่านั้นจุรุ่นนั้นเห็นจอริก็คำนับแต่เมื่อคำมัดแล้วก็ไม่ได้รับสิ่งของทั้ ง, ตงเตือนเด้วยกลับพูดว่าตัวขาวา้าพเจ้าเป็นคนแตกทับเสียการมาและก็หาความชอบสิ่งใดนี้ได้ซึ่งข้าพเจ้าจะรับเอาสิ่งของทั้งนี้มิบังควรขอมหาอุปราช ได้เอาของเหล่านี้กลับคืนเข้าให้ในท้องพระครัภงตามเดิมเถิดถ้าถึงกำหนดเมียหวัดแล้วก็จนเอามาแจกแกฐารทั้งปวงจูเ่ตกล่าวที่นี้ไม่ยอมรับอยากจนแต่ว่าช่ยจะตื่นทองเขาผู้เมียผมเม่งนั้นก็จิงคิดว่าพระเจ้าเราปียว่าไว้ว่าจุรล่ต์นียเป็นคนซื่อ กินทุกประการแต่วันนั้นไปขนลุกก็มีความคารวะจื้รุ่งเป็นอันมากอยากไรแต่ว่าใช่จะตื่นทองนั่นคือเตียจืเรุ่องอยู่ ก็ทหารเสือแต่ผู้เดียวที่ได้นอนตายตายละเขามีเคยเสียเมื่อใดสัตรูแต่จู่มยังไม่ตายนะครับเอาประวัติของเป็นคารวะจุร่มเป็นอันมากนะในขณะนั้นก็คนต้อะไรงี้มีกว่าบัดนี้มาเจ็ก อ, องเป็นมีเอียนโกเสียงมาถึงแล้ว พูไปรักษาตำบลเกติ ทูนาสาไปครั้งนี้เราก็ได้กำทับเป็นขวดคันว่าตำบลเกตเตง น, นั้นเป็นที่สำคัญอยู่ท่านก็อวดรู้ทำทานบมไว้แก่เราบัด น, นี้ก็ไม่เหมือนทานบ่มที่ทำไว้เสียการไปแล้วทั้ง น, นี้โทษท่านก็ใหญ่หยวงครั้งจะมีเอาโทษตามราชการสืดสืดไปเรื่องหน้าทหารทั้งปวงก็จะดูเมาแกราชการ แม้ท่านตายเสียผู้เดียวก็จะเป็นกฎหมายแบบอย่างธรรมเนียมได้และราชการก็จะไม่แปรเปลี่ยนฟั่นฟืนท่านจะน้อยใจยเราเลยอันบุปรภรราอยู่หลังนั้นเราจะช่วยทะลุบมบุเลี้ยงดั่งตัวท่านยังอยู่เกิดมาเป็นชาติทหารแล้วจะได้อะไรกับชีวิตเลย ฟูตายตามโพสานุโทษนั้นเถิดนี่ผมไม่กล่าวดังนี้ก็ชี้เจงให้ฟังเกิ่วกับความจำใจได้รับมาากองค์อธิราชูรุณรับมาแล้วว่ามาติคเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่บัด น, นี้ก็ต้องลงโทษต้องทําโทษแต่ก็นี้ได้เกิดทำหมดตามมาสืบทำบนคือมาเติกให้ทําบนได้เลย บุพเพยาดีทั้งสิ้นถับแพ้กลับมาแล้วก็ให้ตัดหัวให้หมดแต่พวกหลงก็เอาโทษแต่มาเจกผู้เดียวแล้วผมเบ่งก็สั่งให้เอาตัวมาเจกไปฆ่าเสียมาเจกนั้นร้องไห้อ่อนวอนขอโทษต่างๆของเบ่งเห็นมาเจกร้องไห้อ่อนวอนก็กลั่นน้าตาไว้ไมีดก็ร้องไห้เหมือนกัน ก็จิวว่าตัวท่านกับเราก็รักกันอยู่เหมือนพี่กับน้องซึ่งเราทำทางนี้จำต้องทำตามกฎหมายแบบอย่างทําเนียมถา้าจะมีการชิงชังท่านแต่ประการใดก็หานิได้อาบุประยาของท่านมันก็เราจะเรียงไหวผมเองก็ต้องกล่าวซ้ำทำนี้อีกครั้งนึง และในขณะนั้นทหารก็ขุมเอาตัวมาเจกออกไปเพและขณะเมื่อถารจะลงดาบมาเจกเน่ยก็พอดีเกียวอ้วนเกลียวอ้วนนีเป็นขุนนาผู้ใหญ่ที่ปรึกษาคนสําคัญมาจต่ลูกเสือฉวนคือตอนนี้ไม่ยังไม่ได้เข้าเสือฉวนนคะครับซึ่งมาเจกเตื่อทำให้เสียการณครองยโพทึงตาอยู่แล้ว แต่กระต่ายโอบานเนเดินราบคาแลามหาอุปราบจะมาฆ่าทหารเอกจะไี้หาเสดายไม่ช่นั้นดรผอขเริงก็จึงว่าเราทําทางนี้ถ้าว่าจะมีความขึ้นโกรธแต่ประการบาหานี้ได้เมื่อจะละโวกมาเจกเสียทหารทาั้งปวงก็จยิ่งหยางผุนเรงว่ายังไม่ทันขาดคำว่ า, าทหารที่รับคําสั่งออกไปนะ่ะ กิจเย่เยอเอื้นนมาโกนเพราะอนเยืเ่อเอ้อนสั่งเท่านั้นพอเยื่อเอื้อนเข้ามาหาขอเนเบ่งอะไรนี่ยทหารนั้นก็กระทำตามคำสั่งขุ่นเบ่งต่อไปคือตักศีรษะมาเ็กเข้ามาให้แกอขอุ่บ่ขเนเบ่งเห็นที่สามาเอกคืนนบัตมิเขาเลยถึงทำเล่าปีที่ว่าไว้แต่ก่อนก็ร้องไห้เกียเอื้อนก็ ahí แค่นี้เนี่ยแต่เรายืนไปไม่ได้คิดคลั่ห็นฟีสมา ครา้งครั้งนี้เป็นอันมากโทษขา้าราชาใหญ่เล่นนะและบัดนี้ข้ารเจกาจะขอถอดตัวออกจากที่ตามโทรสารลูกโถง6หลงสั่งปลดตัวเองออกจากตำแหน่งเลยทั้งที่ ออก็นำามานุกยองของเหม่ฉบับนี้กราบข้าเสื้อชวนนาความขึ้นกราบพูกับพระเจ้าเหล่าเสียงครั้นพระเจ้าเหล่าเสียงลเล็งยิ่งความตสืบดังนั้นก็กราบแต่ขึาาขน้นมเว่าอันการถึงกรามนี้ก็เป็นกระเทอนน้วแพ่ไว้ค ะ, ะก็เป็นดีแค่โนมาแต่ป อ, อนซึ่งหมหาอุป ร, ราเสดีแต่้าสครั้งนี้นั้น จะถอดซึ้งจากที่ฐานาักก็มิบังควรเหตุไหน ม, มหาอุปราธิมเจราจาดังนี้คือขอเปล่นจากที่บิบวีบิบวีสุขข่เป็นผ้มีผู้ใหญ่ก็พูดว่าอันกฎหมายแบบอย่า ง, งพมีก็ว่าเผ็นดินมาแต่ก่อนนั้นเข้ามาเจอกันอยู่ว่านายทัพนายกองทั้งปวงซึ่งเพืเ่อจะมนปี ตราดใช้ให้ถือพลไปทําการสงครามก็ย่องถือกฎหมายเป็นบรรทับต่างกระสุนขนเป่เป็นหมาอุปราชเสียทีแต่ข่าติดมาท้งนี้ก็ต้องเด็กฎหมายอย่างทรรนียมอยู่แล้วครั้งลงจะยกโทกเียนิทำตามขนบอกธรรมเนียมมาบัด น, นี้เประเคยมี้แผ่นดินก็จะฟั่นเปียนปัจขอให้เกิดทำตามเรืงราวที่หมาอุปรา พลาพมาเถิดถ้าเจ้าเลอเสี่ยนเด็กฟังบิีอ่าคุณแม่ผู้ใหญ่หรือคุณนางเก่าแก่แต่ครั้งอ่าพระเจ้าหลอกปีนี น, นีบิวีมีอยุอยู่หลอเสียนเด็กฟังพระเจ้าชอบเมื่อก็จะมีกลาให้ไป่วอของบุญออกญาี่มหาอุปราชตัสักลงมาสามสถานอาวะอ่า จะเต็มยศอย่างแค่ไหนก็ตามก็ต่มาสาสาสถานให้เต็มแต่ที่ีกงจนปุ๋นก็ยังคงได้บางคำบรรจารฐานทั้งวหมือกับมหารประหลัดลยและค่อยดีวีถือดีอดไปดีวีก็ถือดีฝอรับฟังไปไป ย, ยังเมืง อ, องหันโตเข้าไปทำมาผลเบ่งแล้วก็เอาปาออกสงให้แล้วก็ิ เรยว่าขงเบ่งเนี่ยจะได้ความอับอายเยอะมีวีก็คือว่าแต่แรกมหาอุปราชยกฐานไปปีเว้นปีนก็ได้ถึงสิบตำเบนเขาเจ้าเราเปลี่ยนแตธนาบดีอนาประชาะรัฐ บ, บอลก็มีความยินดีสนใจจะิป็นปัญญาควานคิดมหาอุปราชตั้งทั้งเมืองมีวีกล่าวอย่างนี้เรียกว่าจะตอบเดินเอาเข้าใจก็ทำควร ไม่เสี ย, ย, ยอดยอเสียใจใหม่อพยพอดสูญใจอ่ะคนเรืองนีว่านั่นก็โรกรธมากเป็นเลยทีเดียวก็ดีว่าแต่ แ, บบแรกเราเตีได้หุ้นต่างๆก็ตีแต่กรั้มาภายหลังก็กลับเสียนี่จเป็นสิทธิ์แก่เราตัวก็รู้อยู่ด้วยกันมีธรรมเจรยาแค่นี้มีย่ อ, อเลยดิมีนนคนเข้มข้นดวยโรกรมากเป็นร ก็อ่อเนเฉยนไปนจะถลายทุกต่อไปว่าพระเจ้ า, าสิ่งแย่โดยว่าหาอุปราชได้ยินอีที่เป็นทหารของพระเจ้าอยอยมาไว้ด้วยก็ยินดี น, นะนาทีมีร่องม่ครับงปเรีบอจ้กูไปเเรื่องของเียมอีกหนผมเองก็จัวหวเราไปทาการแข่งเนีเสืยแแก้ฐานเป็นันมาก และเปียค่าศึกเนถึงร้อยเท่าและได้ถามมาแต่ที่เดียวจะเกื้อนี้ถสินแบงครใช่ว่าเขาจะเปลี่ยนทาหารลงก่อหาหม่ ท, ท่านจะว่าให้เราอัพะยพะไปะยะังคนลนก็ังทู่ดีนดนี้มีหุก็พูดตอไปว่าบาัตรมีหมายตราช่องศุนทาหารไว้อีก3 0 4สิ0มือเนี่ยยังจะคิดทำการแก้หู อ, อีกประการบาท ผมดูเขาจิบครั้งก่อนเรายกทหารไปทำเืียการแก้ค่าศึกที่ตะบนปีกอกนั้นไปนันมากทุกวงังก็เหมือนเป็นผีอยู่ในอกทำใจ ย, ยิ่งนะกอกทิศจะไปทำการแก้แค้นไม่ได้ท่านอุษาทำการด้วยเราเถอะดูดูดีกว่านั้นนั้นก็มีความดีๆเบียดธรมะและก็ลากลับไปเมืเ่งเคยชวน ฝ่ายขุนเ่ิงก็ซ่องถึงแต่แกล้ถามทานเปรงซ้อมหับ ก, การตามกระบวนพับ ก, กระบวนสุรสุดริ่กลามกระเบีนพะพร้อมไว้ทุกประการขณะนั้นกิชิสัพพุกแกล้งแถึงยังยกเอียงเพื่อเจห ย, ย่อยก็จินให้หาสุมาอีกเก้ามาปรึกษาว่าจะยกไปตีเมือเ่อเฉลชฉนสุมาอีก็ถิอว่าอันเป็นสานีก็เป็นรีบุิห์รอนนะัก กองทัพเมืองเฟชชวนและเินหงฮันสมจะยกมาธรรตรวายนั้นขมยังจะมานิดหน่ฝ่ายเราจะยกไปตีมินเฟชชวนและบินหงฮันสมหรอก็่ินสะดวกเมื่อขนเร่อรู้ตัวก็จะยกฐานมนตาตั้งสลัดฐานเถะพรเจเกยยอยสักเดียวขึ้นท่านจะรอกองทัพนี้ยกไปนั้นก็ชอบอยู่แม้ว่าขาดศิษย์มาธรตายกเราปอนละ จัุ์ที่ประการใดปมาจีก็จึงว่าจะปราบริเวข้าพเจ้แย้งอยู่สิแล้วแม้ว่าขงเบงจะกล้ายกมาธรรมตรไบแก่เราครั้งนี้ก็เห็นจะไม่มาทางปีศามคนจะต้องยกฐารลับทางมาทางตำบลตังฉองเป็นมันคงข้าพเจ้จะแต่งทางใหอไปตั้งค่ายก่อกำแพงปิดทางไว้ ให่ขาดุดเรื่งเข้ามาถึงอยู่งแบตพระเจอเกอยย์ก็มีความยินดีก็ถามว่าท่านจะแต่งให้ผู้ใดออกไปซูมาอีก็กล่าพูดว่าเฮ้ยเกียวซึ่งเป็นคุ้นา่งํำแหน่งที่จบป๋าจนปุ๋นจะมีหัวใสหนึ่งมีกำลังและโดยเอ็ก็ ส, สู้งหกว่าฟอส และเป็นผู้กระปอบเรื่ปัญญาความคิดมากเห็นจะตอบู้กับคนเรื่องนั้นได้ขเขาจะจะแต่งด้วยเฮ็ดเียวเจ้า ป, ป๋าจงอุ้มแม่นมือโขสายออกไปตั้งประักทับอยู่เขาจะเกยยอดก็นด้ยวยที่นกองทุนฝึกทหารเฮ็ดเกียวนะมือโหสายใขยกทหารมาตั้งขับทับอยู่มาตำบลปั น, น, นช่อง มามคัมูมาอี้รุกระกด้าขณะนั้นมีทหารถือือมาแต่มือเอียวขิวว่าบัติทีหองจะมือปืนยนยกเอามือมาอหม้อแกเจาะอยู่แล้วเขาจะเอามือมาออกแต่เจาะูแล้วคือไมยอามารพั เมืองถวายเมืองเหตุ เ, เจียหิ้วพระเจ้าเจียวยอยก็หนัสือรุม่มาทีก็มุดออกอานีูเป็นใจความเจ็ดข้อว่าให้ยกัหารไปตีอมุกจันทก็ติดตาวที ม, มาอี้ที่มาอี้ก็เป็นผูว่าที่ว่ามาในหนังสือพงเมีชอบนะถ้าจช่นนั้นก้าพเจ้จะขอยกไปช่วยเจียว้ททำเต็มกันจัดท่าตึก ตีอามูางีไม่ถึงได้โกกันสามีก็เป็นเย็นนิดหนุ่มบกบโกกนั่นกับารวบกับกนี้ีรบนู น, นว่า่ยิดกอารบดีฮตเกการจะดขยตังตังคผู้ใหญ่ก็พูดบบทนแคู่มาอี้ยกกองัก็ปะจำเลยด้ว ย, วววยอัชามั น, ามนั้นเป็นคนหาความสามีได้ การหลอกแหลมแหลมมากไม่มีความจริงทีของคนนี้จะเป็นทางการสั่งและทีของเขาก็มีปัญญาความคิดมากซึ่งจะมาอ่อนน้อมโดยสุดใจมนต์นะผิดอยู่เห็จะคิดเป็นคนอุบายล่อลวงให้หลงยกไปที่อมือการสั่งและภายหลังจะย้อมทําร้ายเอากับเราแต่เราจะเชื่อฟังนี้ได้ การขีว่าเขีนนี้มี่จะเชเื่อไม่ได้ในการที่เขามาอ่อนน้อมที่มาอี่ก็ตัวทุกการกุีท่านว่าเรียนนิชชอบวีดีหองหรือแะอาบวงเราการครั้งนี้ทมก็จำต้องทำเพราะเจ้เกยย อ, อยก็ดีว่าถ้าฉะนั้นท่านจงเอาการกุี่ไปทําการดี สุมายก็ขำมาลาเพื si então, ่อกยยอยมาจับแจงฝ่ายคนพร้อมแล้วก็ยกไปบรรจุกองทัพมะมือเกียวจิ้วรั้งแรกแล้วเกยิ้วกยกแยกไปยังเรื่องเสียกองดินแผกกระดุยกับหมันทองเฮาจิกุมหมักองดิงยกไปทางเหือหลงเสียอุมายเป็นกองใหญ่ยกไปทางเมือกลางหลิงกำหนด ไปพร้อมกันนเมืองกังตังขายส่เกลื่อนกันสังตอนนี้กองทัพก็ต้เรียกาเจ่าชุ่เกลื่อนละรู้ว่าองทัพมาอีกเกเหี้งยงหิ้วโต๊ะเลียงโยมานี่ก็ติดขากับคุณนางทั้งเกลือนว่ะ ยีหลงแต่งเปนอุบายเข้าไปนบนอกเข้าเด็กเกอย่ยวเลี้องให้ยกฐานมาเป็นสามทางก็กลย้ยติดเจถึงเมืองเราที่งเาใครก็นาแต่ข้าุนบำบัเนี่ยคนทว า, ายก็คิดเกิดกบการบัดโยก็คิดว่าอันการพั้นี้ก็ใหญ่หลวงอ ย, อยู่ขอให้ลดสุ่น่ลดแต่แรกเป็นแม่พักตีด ต่อปแม่ทหารที่ไนึ่งมีขารูัชื่อเสียงหลังจากหมดขนีกองทัพเกือบิบว้านของเรามีแหตลานไปแล้วเนี่ยบทบิก็เป็นที่เชื่อถือของโัมต่างๆละก็โยมกล้าแนะนามาขอให้ลดขึ้นเป็นแม่กองใหญ่ผู้นำโยกไปทำการจินจได้คุณควรก็เห็นด้วยทีเดียวตอนนี้ไม่ต้องมีใครเอาที่ฝามาเป็นเการ์ด้วคุณกวก็รางรถขึ้นตม ชูกตกไตจนกุ้นแปลเป็นไทยพอได้ความว่า เ, เป็นเจ้าพระยาชูเมือยให้ไนไหมครับราชการตำรวจสึกครับเพื่อทั้งขอบขันได้เสิรมาใ็นหน่หมอนอมเพระเจ้าชูเบี้ยนี่โลกผู้ก็คำนับรับนี่รับตำแหน่งที่ถได้รับแต่งตั้งชูก็กไตจนกุ้นเรียบร้อยแล้ว ก็ขอจี๋หวนจ๋วจ้องเป็นประหลัดซ้ายขวาสุ่มเกือนก็อยู่ยากนะรถสุ่นก็ตั้งจีเหลวงเป็นฝ่ายขวาจวนจ้องเป็นฝ่ายซ้ายรถสุ่เเกนฐางทั้งเตียงในแปด8ิบแเงือนนาทหารทั้งสูบิ้ดนพร้อมในครื่องาตราบุเรายกไปเป็นสามก่องจีเหลวน ปรัดทักฝ่ายขวาก็อยอ่ซึ่ง J oo, เจย์หิวเหลือฤทธิ์นอุบายของมือหองยกกองทัพเยื่องเข้ามาทางนี้ J เจย์หิวเดกเป็นคนหาปัญญานีดได้เราจะยกไปต่อด้วยเจย์หิวทันเห็นจะได้ใครแค่มาอายอยู่แม้เจย์หิวแตกแล้วข้าพเเห็นว่าองจะาต้องหนีไปทางอาจแยเสด็จและปีกีของทางนี้เดินมาคน หนทางสตะเบนนี่ก็เป็นพวกเขาคับแคบนะเข้าไปเจากับเตี้นจ่องและขอทหารไปตัดไม้พับทางเลามมงก่อนจะจับเเ่า้ได้ตเยแล้วเราก็จะรีบยกเข้าไปปีเอาเมืองีฉเองันั้นให้บเมื่อมีีกันเลยแล้วก็จะเดินพับสบายเข้าไปเอาเมืองูเต๋อเือล โดยเบเดียวเลียวประหลัดซ้ายขวากล่าวดันยกขึ้นจะพยายามบิงก็คืดว่าขึ้นทางวาชนิยุทธ์ชอบมายของเราอันนี้เขาปะคิดไว้เสร็จดูดนะทันแต่ลิตกเล ย, เยกขึ้นกล่าวพนดีแต่ไม่ได้ปเผย เ, มมเรืร่องายจะประการบังคับแบบยกขึ้นแต่ตอรนี้ตีตัดกิน ที่ชาที่ตัดเหลี่ยมเขาเดืดดดดดดดอดขนบุญอยู่กัดขินที่ชานดึ่งอยู่กลางป่านี้มันให้คนหมายมีรักษามีกลางเหลี่มควยรับกองทัพตูมมาอีกแล้วก็กลางเพลหานพร้อ ม, อมวะคอยเรือดดุกอน ถ้าจะก่าเประเด็นทั้งสามนี้ดูจะมีขุนทัพนายทหารที่เป็นช้นยอดอยู่ขนเปแง่งเฉยชวนซุมาอีแห่งฮูโตะลกซุนแห่งกังปั น, ก, นกับจวนแผนกด้วย่างละที่ทั้งฝ่ายมีข อ, องือของอ่าจะมีเวหยง ที่ทำเนเขัไปยอมอ่อนน้อม เ, เปิดเกย์หนีนันีก็เป็นแผนการของการหลงปีบังิจารให้เหตผลนะ ย, ยเชื่อไม่ได้เอาละ่ะ ท, นทีนี้คนรกเกยนี้่า่าแม่คมรับแต่เจยเอยอมาถึงยอะแล้วก็ออกมาลบตามประเพณีออกมาลบตามประเพณีนะเจยนีก็ถือว่า ถ้ามีมือถือมาถึงเราแย่านี้ความเก็บข้อนั้นเราก็รจะเอาเมื่อความมกละพุงกับที่ เ, เ, เกิดเกยอทีรเกิดเกยยอก็มีความยินดีเชื่อทางทีนี้เรายกทหารมาเป็นสามทางและแบบ น, นี้เราเน่ยยังคิดกินใจอยู่ข้อนี้นี่ปากคาพู้คนที่ตัวเนี่ยพูดกั่ว่า ก็มีสติปัญญากอบด้วยอุบายมากาเือี้ยกล่าจะรวมเราให้เสียการเมื่อลายหนึ่งใปลายหนึ่ ก, ก็คิกว่าซึ่ทงทำจะรวมเราก็คงจะไม่เต็นแต่ว่าก็ยังคิดสองใจสามใจอยู่คือจะเชื่อและไม่เชื่อนี่ยมันก็ยังตํางปินกันอยู่ที่ของด้วยความดังนั้นก็ทําเป็นร้องไห้ กรมบี่จะเขี้ยคอตายละมีเพื่อสนสมกินกับพี่ตาว่าต่อเนื้องเป็นความกินในนี้เขาไม่เสียใจเขาไม่กินแต่เก็ไปเกี่ยวกดบตกใจดิก็ไปช่วยกระีไว้แล้วก็ห้ามอ่ะท่าเกล้าเจ้าค่เาแต่เอาไปที่ใหญ่อ่ะกีนขางไม่ดีอ่ะอเนนความก็บคอถึงกระ น, นัน้นเป็นความริน จะรจาว่าขบเจ้าคิดจะล่อรวงกันนั้นถ้ารอยจะเป็นคนอุบายของมีการต่งแกล้งแค่ปราอดมาปราปมจะเลี้ท่านเชื่อใจขบเจ้าขบเจ้าน้อยใจว่าตัวนี้ถ้าเป็นฟักแฟงก็จะพาออกให้การเห็นเทปแบกินข้างในมีเทว่าจะมีเลยออมีหวงว่าแล้วก็ เจ้าก็ดีคอแล้วเจ้หดอย่างนี้ขีกระวี่ไวแล้วก็เข่าปอนตัวตีหองก็ไวะ้แล้วก็พูดว่ขาขเจ่าหวาสัพยอกร้องใจกันเลเถิดทนี่หรือจะฆ่าตัวเเ่า ข, ขอมาเถอะท่านอย่าถือพวกขบเจ้าเลยดีหอง้วงมั้งขเจ้าจัต่ต้จริงควรทีมาว่าจะนีหรอหวาแล้ว ที่หองก็กระดิ่งมาปัผมของจนิงออกปักคือเกิททาการคลั้งคล้ายกับพิจนเตโชแต่ เ, เ, เ, เ, เมื่อก่อนน่เคยกระทเจ้าของทํานี้เอากร ะ, ปะ่ปัผมของตนทิงแล้วก็พูดอ่ะชื่นผมนี้เป็นพิรกนามีนามนานดาข้าพเจ้าข้าพเจ้าปักออกให้เขา เ, ปะปะปะหเห็นความจริงจะวิเคราะห์ดูเถิดจ้าิงเห็นที่ออันงนี้ก็ชื่อ เชื่อสนิทใจ่อแต่งโต๊ะมาเล่นดูกันเครงร่นกินโต๊ะแล้วยีหอมก็บำมับราตับไปแต่ตั้งกินตั้งเปรี้ยนี่เหอ็อมก็แซงกระทำให้เขาเห็นกินเห็นจังท่ารุ่งขึ้นเชา้าการหนีก็มาถึงพร้อมกันเขาก็เข้าไปหาเจวิํามับกันตามประเพณีแล้วเ็รู้ก็ถามว่าท่านมี อิกสินใดจะวาประการไร ย, ยางไรจะวาดไปการอื่นก็ดีว่าขบเจเข้ามาบัดนีหวังจะพูดกับพรแแน่นอน่ด้วยขบเจ้าเห็่ว่าทหารมีการฝังนั้ น, นจะมาตั้งส ก, กัดดิพันเมืองเอือมเสียขอท่านอย่ายึ่งยกทหารยกกันไปก่อนคอยท่าใหกองทัพทูมาอี่ยกมาถึงพร้อมกันแล้ว จะไยกเข้าไปช่วยกันระดมปีเอาทีเดียวการปุ๋ยธรรมะไอย่างนี้ให้รออ่อนเจดีย์พุ่มมั่อีกในแผนการของตนแล้วก็รู้สึกว่าได้ทดสอบยือของจงแนแม่บอลแล้วว่าไม่ได้ทอริย์ยศหรอกเองนแล้วก็เป็นที่ปรารถนาความดีความชอบใจตนให้เกินหน้าคนอื่นด้วยย่อของได้จริงว่ะ ข้ามาห้ามปามราบเาท่านเนี่ยปาราบมจะทำการทิ้ความชอบของเราประ น, นั้นี้ดูจา ก, กาขุ่ก็ดีวะเขาพระเจอเจาแก้วเกียวผมนะได้มาตับผมสามานแต่ท่านนั้นนั่นน่ะเป็น้นอุบายเหรอหากินแต่ประการใดไหม่เขาพะเจ้ากินเข้ามาห้ามท่านไว้ ให้คอยถ้ากองทัพทีงมาอี้อีกองมันเรียพร้องกันก่อนแม้จะมีเหตุประการใดอย่างไรก็จะได้ช่วยกันในระเดียวคันเพื่อีกากุยก็เหยุผลติดตามความผิดของ็นเองเจออยู่ก็่าแระจะมาทำสงครามเรียนดูมาเจอรัตา์บอกาาเป็นคนดูไมฉ้ฉัน เ็กเราทำไปเดกไปทำไาช่วย น, น, นั่นการที่ยกทำไปคนนั้นก็ไม่เอาไวน้นม่หด้จมตีทำให้ับแกโ ว, ว่ากับการคยทแล้วก็สรงให้ทานเอาตัวกาเนี่ยไปต่อหาชีวิตก็เลยหงตั้งเป้า ว, ว่าสู้สู้ท่านได้ค่าการคุยแ่นั้นสงครามก็ยังมได้กิดทำแต่ข้าสึกก่อนเลย ข้าพเจ้เห็นว่าเารือเเร่อน้างวายทัลต้นตือนนี้จะขอยกทษเดวยสักครั้งนึงเถอเก้าหูเห็นดอกทารัม่โดกบักขอเพื่าาอแก้การขุยนก็อ่อานญายกเพื่อหแต่ให้อดการขุยออกเพื่อจับแม่ทัพแต่ก็เอาเตือนไว้ให้กิจการในกองทัพดูแหละแล้วก็ฟังให้ยกทหารยกทับ เรไปตีเมืองกวงเสียขนาดนั้นตีของแย่งว่าโจวิวคืออันแม่รับแต่โจพอตาตูนออกไปแที่แม่รับแล้วเนี่ยีองก็ต้คิดว่า เนี่ยถ้าแม้ว่าเกย อ, อยู่เชื่อฟังโทษทำการตุ้ยแล้วมีการฝังก็จะมีอันตรายบัดนี้เทพยด า, าจะให้ความชอบเกิดแก่เราจรึงเผอิญได้เป็นเช่นนี้เรือเกยอยู่เนี่ยเื่อหรือในคำพูดของเราคิดแล้วก็มีความดีดีอวังต้องตงั้งใจต้องมีล็อกซิ่ง แม่ทัพบุญแห่งการสั่งระบตรนี้ตจอยู่เดือดดุดอมของขบเจ้าวก็ยกกองทัพโยงเข้ามาแล้วขอท่านทิดยานทำการเอาชัยฉะมให้จงได้เถิดหรยกขึ้นแก่งหรอฉบับนี้ก็สานยกไปขึ้นู่นตะบนเช็คไปหน่งกองมึนแล้วก็แต่งให้ทีเส้นดีฐานเก่าเป็นกองหน้าเกนี้กองนทางายโจ ผแสเจอแม่พัใหญ่ก็พาเอาตัว ก, กีมฉ๋งมาเดือดมาถกลางทางก็ถามว่าที่จะพระทหารข้างมาเนี่ยชื่อตำบลไดกี๋หอมก็บอกว่าข้างมานีนชื่อว่าตำบลเซ็งเงขอให้ท่านยกฐามรีบเข้าไปเถิดจะได้นม่ตกเลยเจอหูก็หาจะมีความสนใจกับการใดอย่างไรกับกี๋หอมไม่ละ ก็รียกอาหารน้ำเปลือยไปภาคตะบ น, นเช็ตเงชี่งขมันมาตุ้มอยู่แล้วนะเวลารุ่งเชา้ามาชายก็ไปฟอดแหน ม, มเหนือความก็มาแจ้งว่าบันนี้กองทะเมืองการต่างยกมาตั้งส ก, กัปากทางอยู่เจ้าหนเาี่ก็ต่ดใจก็จริงว่า ยอหงบอก ก, เอเกะเราอําเภอตบนเช็ถึงเนี่ยพื้นสะดวกหาม ไ, ไ, ไมีกองทัพใดๆไหมและบางเหตุอะไรไม่มีกองทัพมาตั้งจับอีกเรา ừ, ทา่ทานแตกโจ้ค่อยถามแล้วรีบไปหาตัวยีหงมาเตยอย่ามาสอบทหารดใหาเจอตัวมาในคันธีทหารก็ไปแต่เราก็กลับมาบอกว่ายีหง พร้อมด้วบาด้ายประมาณสสิบคนนะบัตมหนีหไปแแล้วโจยู่ก็รู้นะบันี้เองสิวัดกีหองที่กระทำการมาแต่ต้นมีแต่เริ่เยนะถอเอาเมงมาออกแต่โจหิวทามาเป็นอ่อนน้อมเยอะกะไรยเยอะีหองพร้อมด้วยบาดห้ายประมาณสสิบคนนะบนัตมิหนีไปแคะแล้ว โจงยูก็รู้นะ้ำบัตรนี่เองสิวัดกีห้องผิดกระทำการมาแต่้นแต่เร่เลยนะหรือเอาเมี่งมาออกแต่โจงหยูอ่ะทามาเป็นอ่อนน้อมเหยกยกันไปเรื่อยตา้งแตนาประธานเจ้าบัตรเ น, นี่ยเขาลวงเราเจอหยูเขารู้ว่กห้องลวงให้มาต้องเป็นคนมายางนี้นำาพของตนก็ามาตู้ที่อัปปเต็มแล้ว ดว่าดีของแลัพวกก็หลบนีหนุ่มในที่กันเนี้ยเจ้เหูก็กรันะก็จริงว่าถ้าจท่นั้นเราก็ไม่กลั ว, วสงครามเพียนเนี้ยเจ้าชายจะมาจุดได้เลยท่านแต่เจ้าดีก็แต่งให้เตียวเผาคุณทหารเป็นนายกองน่ะยกเข้าระดมตีทีเดียวทีส่งจุดแล้วซุ่ใช้มานะ่ะก็ขับผออ่านกองปะสู้เตวเาได้มาสิบเ กำลังที่มีชีส่งทหารเก่าผู้นี้ได้ก็ทันเมินหีกัาาไปก็ไปบอกกเจหว่าช่งทงมีการต่างผูนี้มีกาลังที่มีมากขาเขาจะตัวจะ เ, เสียทีีกลม า, าเต้ออยนกาเจู้ก็ว่าเสชีส่เแขนันเนองไว้เป็นนัก ง, งานเราจะไปเลแตให้ถได้ และเจ่ก็เหล็กเียวเผาคุมหันสองหมืยกไปตั้งสุ่มอยู่ท้าทิศใต้ให้สีเขียวคุมหันอีกสองมืยกไปซุ่มอยู่ั้งท่านคิเดเหนือกำหนดวัดเราจะเป็นกองการยกเข้าไปร็อกลอแล้วจะทำเป็นเสือทีถอยหนีออกมาให้ค่าสุดไร่ถลิงเสือประทัดสัญญาของเราแล้วให้่านทั้งสองข้างนี่ ปีก็ามาออกมาเอาไทยก็กนาสับเครื่องดเก้าหวางแผนแันนี้เกียวเทาสีเกียวสองนายนึ่ก็รับทำแล้วก็พาทหารออาไปชุ่ตั้งแต่เวลาตั้งคืนไปยุติอาชีพสุดยอดนี่แต่ละชุนก็แต่งเลย ขีหหหห 3, ่หวนเตรียมถ่องสองต่อห้าของตนเนี่ยทหารมาละสมหมื่นยกักทางเว้ไปงข้างหลังค่ายขนเจยวิ๋วมไปชับกลับบ้านหลังกาหนดว่าถ้าได้ทีแล้วให้จุดเพลิงขึ้นเ๋วเราเห็นแสงเพลงิงจะได้ยกปีกกระนาดก็ไปไหวท่านก็ตีกระนาดออกมาเห็นจะจับจียว่ได้ดไ เี่หวนกจงกรับคำยกฐานแยกกันรับทางไปแต่วเวลาทันที่ข้าฝ่ายเตียวาวทีเกยอยู่ฝังหนึ่งนถามมาสิ้นเนี่ยเห็นกองทัพี่หัวนกแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นข้าศนรวเป็นทหารมืการตันซ้ำแข็งรอเป็นพวกกองไปเว่งเพื่เดียวกันเตียวพาวก็ขี่มาเดินก็ไปถามกีห่หัวนด เราจะไปทรงไหนยังไงการใบตีหวัวเนี่ยก็คือีหวัวเหมือนเตียวเผีมาเดินเข้ามาถานเนี่ยตีหัก็เลยเอาน่าพันเตียเผไว้เร์มาตายไปเลยฐานนะผมก็แตกืนอลหมานไปกีัหวหมือนไม่ต่เนี่ยก็จุดเพลิงขึ้นเลยเตืจนจังข้อมายสา เห็แสงเควรโกรยกมาก็เขากับกองทัพของสีเขียวที่มาชุนด้ยวยเจวยนจ่องก็ขับทหากรก็รบพุ่งข้าฟันทหารของสีเขียวเหื่อมตายไปอัมากีเดยวสีเขียวก็สู้ไม่ได้ก็ตาสานแตกหนีไปปีหวนเจียนจ่งจองทังสองนายเนี่ยก็ขับหาก็โจมตีข่โจมหนีเลยทีเดียวข้าฟันกันตปมอบอเป็นโอลแมน โกยุแต่หนีอ อ, อกจากคลายพาฐานหนีไปทางตำบลเหียร์ก็พบ ก, กับกองทับชีเซ่งขุนหารเก่าแต่รันทีนี้ยังมีชีวิตอยู่นึ่กพบชีเซิงเนหาขึ้นมาเข้ามาไล่